การหลังการสบายนะอธิบายทำมาทั้งหลายการหลังการสบายสบายสบายการปฏิบัติ อย่างตอบตุ่นเรื่องของใจในอย่างนั้นการปฏิบัติจะไม่สะดวกง่าก่าใจเป็นอย่างไรวันนี้หงุดหยุดนึกคิดไปทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เงียบสงบเป็นเนพราะอะไร เพราะเราไ ม, ม่ได้มีปัญญาพิจารณาเรื่องเหตุผลคิดที่กุ้งปล ง, ปงคิดต่างๆถ้าคิดไปในทางแก่ไขเป็นไปเสื่อมมรรคหรือเสื่อมทำลายกิเลสก็ไม่ใส่ทางตีจะคิดแจะก็คิดได้าฝูงตรงไปจนเกิ น, นขอบเขต เรียกว่าวิปัสสนาเกินไปสมาถะไม่มี <c oughs> เลยเสียวเวลาพิจารณาอะไรในความเฉ่อใส <c oughs> ถ้าสงบเกินไปก็เป็นจิตขีเกียจอยากคิดอยากปรุงอะไรคิดปรุงมันลำบากลำคานอยากเกิดสงบอย่างนั้นทางเรียกว่าสมาธิหัวต่อจนความปัญญายอยากพายอะไรไม่มีเรียว่าจิตสมาธิ การกินสมาทิ่และปัญญาจะต้องไปพร้อมกันคือไม่ให้อันใดอันหนึ่งหนักเกินไปให้เป็นคู่กันไปเชียงบาทเชียงไหลกันไปใจจึงจะราบรียบในการกปฏิบัติใจของเราต้องอาศัยที่นี่ที่เจริญา ทดสอบดูแลอยู่สม่ำเสมอในอย่างนั้นเราไม่ทาวว่าทำอย่างไรจึงถูกกับจริตนิสัยของตัวจิตใจมันเป็นของที่ไม่มีตนมมีตัวแต่ก่อาศาสตัดจากตัวเองกว่ามันคิดมันตึงมันฝุ่งมันสงบด้วย อำ น, นาจของสติที่บ่งบอกคือเรารู้เราคอยใจจากความเป็นไปของใ จ, จาการสงบของจิตคนที่ยังไม่เคยสงบในต่างหน้าต่างตาอยากํำหนดอะไรกำหนดจริงจัง อย่าไปคิดสงสัยว่าอันนั้นจะดีอันนี้ไม่ถูกถ้าอย่างนั้นใครจะมีความสงสัยอยู่จิตจะรวมไม่ได้จิตจะสงบไม่ได้ต้องตัดสินใจว่าทำอันนี้หรือทาบริกรรมอันนี้จะนำความสงบ ส, งสุขมาให้แก่ตนถ้าหากเราเลี้วไหลในต่างใจในอัรรม ที่เรากำหนดอยู่หรือบริกรรมอยู่นี้เห็นว่าอันอื่นดีพ็ไปทำเข้าอีกก็เกิดสงสัยอีกเราก็เลยเป็นคนจริงไม่ได้ <c oughs> เกิดจะามสงสัยอยู่เรื่อยไปทำอะไรก็ไม่แน่นอนเป็นคนจับจดฉะนั้นก่อนที่เราจะบริกรรมหรือจะเราจะกำหนดลมหายใจหรือจะเพ่งเอาไว้ว่าส่วนใดให้ถือว่าส่วนนี้แหละจะยังจิตยังใจท่องตนให้สงบระงับ ส่วนนี้แหละจะทำตัวของตัวให้เป็นผู้ดีที่เสด็จได้ต่างหน้าต่างตาทำจริงจริงจังๆเชื่อมัน่นการคิดอื่นจะมาผ่านหรือเกิดขึ้นอย่าไปติดตามมันมุ่งมัน่นที่จะรายนาือกำหนดในส่วนนั้นจนจิตที่ถูกบังคับไม่ให้วงพป่งไปส่วนอื่นสงบลงไป ระงับลงไปถ้าบริกรรมพุโทโธก็พุโทโธเป็นจิตจิตเป็นพุโทโธมีความสัมผัสอยู่ทุกระยะเวลาเมื่อรวมลงไปทาที่ว่าพุโทโธก็ไม่มีหายไปเพราบริกรรมในดไกรู้จิดใได้รวมลงเป็นหนึ่งอยู่สบายแล้วจะเกิดความสว่างสวยหรือจะเกิด ความรู้อาศจารย์ขึ้นความสุขของสมาธิความสุขของความสขขงบเป็นอย่างนี้จิตจะเชื่อมั่นในการจะทําต่อไปแต่ยังไม่ได้เลยเห็นอะไรก็เกิดสงสัยอยู่เรื่อยหลักสันวะสัามาห้างดีสันว่าเจษาดีสันว่าโลมา ด, ดีสันว่ากําหนดลมดีกดตะคุกเรื่อยไปใจก็เลยไม่มีหลักเกณฑ์อะไรได้ไม่ได้หลักได้เกณฑ์ ไม่เห็นไม่รู้จักสมาธิไม่เห็นไม่รู้จักทำที่เรามุ่งมั่นเพราะนั้นทาอะไรทำจริงจริงจังจังไม่เห็นผลเกิดขึ้นจากการกระทําของตนทุกอย่างถ้าทําจริงเป็นประโยชน์เห็นผลจริงได้ถ้าหากไม่ทําจริงสกดสงสัยลังเลอันนั้นจะดีอันนี้จะไม่ถูก จ็รวมไม่ได้สักทีม่นจิตม่รวมความจูกความสบายก็ไม่เกิดความเชื่อมั่นก็ไม่มีมัเป็นอย่างนี้ทุกคนต้งฝึกฝนตนให้เป็นคนจริงจะทำอะไรให้จริงลงไปเสร็จให้เห็นผลจากการทำของตนเมื่อเห็นผลแล้วจะเชื่อโดยไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าจิตรวมเป็นอย่างไร จะเชื่อจากการเห็นการเป็นของตนเหมือนเรารับทานอาหารกินเสริลรับทานรสชาติเป็นอย่างไรถิงเป็นคนใบา้าปวดไม่ออกปวดแจซาพอลื่นเป็นของสัมผัสกับรสหนี ท, ท่านสงบสงบอัดทำสีพระพุทธเจ้าสอนก็เป็นเส่ยงสัมผัสกับใจใจจะต้องเห็นจากการเป็นของตัวแตยังไม่เห็นไม่รู้ ความเชื่อก็สุ่มเดาไปถ้าเห็นถ้ารู้ก็จะเชื่อมั่นในตัวเองขยันมัน่นเทียนทุกการทุกเวลาอยากจะให้ได้ภาวานาอยากจะทำความสงบของจิตนี่หมายถึงขันตามสงบถ้าขันที่นิจเจรนาเหมือนกันนี่อะไรมาผ่านเหตุา ก, การณ์ต่างๆมีคนมาขู่มาคุย ม, มีคนการมีงานอื่นรู้สึกเสียใจไหนที่เจราแกไส อดค้อนเรื่ อ, องทตัวพอจิตจติดตามเรื่องอยู่สม่ำเสมอไปถึงขั้นนี้ปชานาจิตไม่อยากจะรวมจะลงถ้รวมเห็นว่าไม่เป็นการเป็นงานเห็นว่าเสียเวลาเพราะรวมไม่ไมทํางานทางด้านจิตคิดตรงรอยู่เสมอไปพอมันได้เรื่องอะไรมากกว่าคิด ที่เจรนาทารอบในเรื่องนั้นเรื่องนั้นจะตกออกไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาที่เจรนาอีกที่เจรนาจก้ไขายอยู่อย่างนั้นโดยื่อยไปใจทํางานในมีการพักผ่อนมีหมายถึงขัน้นวิจารณ์นาเป็นไปแบบนั้นคอยพักผ่อนเหมือนขันข้นสมาธิขั้นสมาธิมาอยากติ ด, ดพอมันสุก ข, ขั้นสมาธิขั้นปัญญามาอยากเทิน ก็เห็นว่าการที่เจน่ามันเป็นการเป็นงานขี่นํารายได้มาให้แก่ตัวได้อะไรก็ได้การรู้การเข้าใจในอ่าในธรรมต่างๆการฝึกจิตอบรมใจจนไปแบบนี้ทุกท่านทุกคนไปเพราะจิตใจมันเหมือนกันมีความโลภความโปวดความหลงเหมือนกัน แต่ว่ามันจิตแตกแตกต่างกันเหมือนรูปร่างต่างตัวส่วนจิตใจมันมันเป็นทานองเดียวกันแต่จะมากน้อยกว่ากันนั้นแล้วแต่สาเหตุของบุคคล <c oughs> โกรธมากหรือโลบมากหรือหลงมากขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ก็มีเหมือนกันในใจว่ามันหมดมาแต่วันเกิดพระพุทธเจ้าซึ่งบำเพ็ญ บาลีมาท่านก็มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันทั้งหลาอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้มาเกิดอีกความโลภความโกรธความหลงจึงเป็นมูลเหตุของจิเลสปัญหาต่างๆทางศาสนาท่านจึงให้สัมฤทเรื่องเหล่านี้ให้หมดออกไปเบาบางออกไปถ้าเบาบางออกไปจิตใจตัวมีความผ่องใสจิตใจก็มีความเย็นมีความสบายเห็นแจ้งไปจับ ชัดเจนในตัวมันปล่อยวางไปเบาไปสบายไปพอเห็นปวดเห็นใครในเรื่องความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นถ้าโซดาบันยังมีการําระเร่องยิปติต่างๆออกจากตัวเกิดจากกายยิปติที่จิตใจไปหลงหรือว่ากายเป็นเราเราเป็นกายกายเป็นของของเรา หรืเรามีในกายกายนี้ในเราท่านพิจารณาแยกกายลงไปกายจิตใจรวมได้เป็นหนึ่งพิจารณาแจงชัดกระจัดเห็นว่าเรื่องของกายเป็นถาดฉันอันหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของจิตกายเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งท่านจึงไม่จิตในกายไปยึดในกายจึงไปเชื่อว่ากายเป็นตนตนเป็นกายกายมีในตนต้นมีในกาย อันเข้าใจชัดเจนเห็นแจ้งอย่างนั้นทำโลภาำหลงในกายก็เบาไปสบายไปบิงทีท่ า, ทานะคะัิที่ทนว่าก็คือการละส่วนที่มันติดข้องที่ลุ่มหลงหยาบละเอียดต่างกันเพราะการที่เจรนาที่มีพื้นฐานของความสงบเดี๋ยาวตสมถะ ทางศาสนาสอนการละไม่สอนการกอบโกยคนทิ่เป็นโ ซ, โซดาจะ ก, กิตทาทานาคาหันรวนแก่วกละใส่ทันดาซันละเพราะจิตใจเคยจิตข่องเคยสะสมเคย ก, ก, กอบโกยมาพอนับครบนับช้านไหได้ต่อเหมือมาพิจารณาทำชำระจิตใจให้ขอยใจตามเป็นจริงใจกอดต่อยวางถอดถอน ละเรื่อยไปสนใจหมดสิ่งที่ละหมดสิ่งที่บําเพ็ญจะต้องเห็นความบริสุทธิ์เป็นที่ไอ้นี้อะไรไปเกาะเกี่ยวยึดถืออีกผู้จะทําบําเพ็ญจะสร้สางตัดจากตนเองว่าทางละทางบําเพ็ญหมดแล้วไอ้นี้อะไรที่จะมาเกาะเกี่ยวกับความบริสุทธิ์อันนี้ ภพชาตัวมีอีกหรือไม่เ้าใจชัดเจนในตัวเพราะตามบริสุทธ์อ น, นั้นเป็นเื่องบ่งบอกเราฝึกใหม่อบรมใหม่สั่งใจกระท้เห็นความสงบเกิดขึ้นหเห็นอันนิสงของภาษาตเนาเหมือนกำหนดที่เรณาให้จิต ร, รวมรวมให้จิตสงบ ยังท่านจิตสงบก็เป็นเรื่องที่จะสู่กรัทธาเชื่อมั่นเป็นออจาระศรัทธาคื่ศรทธาไม่หวั่นไหวไม่เอีย ง, ยงไปตามเรื่องต่างๆในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนอื่นจะช่วยเหลือจะหนุนกันได้ต้องอาศัยตัวของตัวเองหึงอกอบรมให้เห็นให้เป็นโอกาสเวลาที่เรามา อาศัยแต่ก็พูดเป็นภาราว่าเพราะนา น, น, านมีโอกาสที่เสร็จมารักในที่สงบสงัดอะไรอื่นสงบสงัดไปหมดงานอื่นไม่มีนอกจากจะต้องนดงจิตใจใวงรวมๆเท่านั้นเพราะเรา่งมาฝึกอบรมใจมใช่มาฮนะรวมจิตอย่างอื่น อยที่เป็นที่ฝึกสามมณีนก็ไม่มีการงานอะไรไมีหน้าที่ที่จะฝึกอบรมใจของตัวถ่ายเดียวมีโอกาสเวลามากแต่หากไม่แต่ทำบเททำเพ็ญบำเพ็ญของจิตก็ไม่เกิดขึ้นจะนั่งเฝ้าอยู่วันยังคาำคืนยังรุ่งทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่อะไรที่จะดีขึ้นเขาไม่ฝึกไม่มอบรมตัวถือว่าเรามีโอกาสมากเวลามากอยากจะทําเวลาใ ด, ดก็ได้ คิดอย่างนั้นเป็นอันว่าเราประมาเพราะอย่างที่เลือปัญหามันไหลเข้ามาอยู่ทุกการทุกเวลาทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเราไม่ตำระสาสาหยิตใจก็ไนมีวันผ่องใสยใ น, น, นมีวันส ง, งบได้ผลที่สุดเมื่อมันมีกำลังมากเท่าทลายพก็จสุดล่า ผิดใจติดเชื่อเหลื่อมใสในศาสนาให้หลุดออกไปสชขัญญาอารมณ์ภายนอกเป็นพิสุจ์สามะเนนอยู่ในศาสนาในได้เพราะใจใช่คิดคิดข้องรูปเสียงเรื่องราวต่างๆภายนอกอยู่ในศาสนาในวันมีเวลาที่จะสนุกสบายเห็นของนอกเป็นของดียิ่งกว่าอัจกว่าทำก็เลยอยู่ในศาสนาในได้ มี 3, thì, อย่างพิศูฐานะเนียนจีทรงตัวอยู่ในสถานะใดั่งข้อแม่อบรมจิตใจของตัวปล่อยให้กิเลสตัณหาครับผมโจมตีอยู่ทุกการทุกเวลาในความสุขความสบายดั่งเหมือนกการบวชเป็นของทิ่ลำบากอยากเย็นเป็นของที่ไนกันคุณเป็นประโยชน์อะไรเพรใจไม่เห็นหายใจเห็น เหตุอะไรจะประเสริฐพิเศษเขากเ็เพนักบวชในนี้มีความสกทุกอียาบดจะนั่งจะยืนจะหลับจะนอนในนี้อะไรมารบกวนการงานก็เป็นการงานของตัวโดยเฉพาะเป็นการงานละเอียดในทําเพื่อลูกเผื่อล้านเพื่อโลกเผื่อสงสารทําเพื่อตัวของตัวโดยเฉพาะ คือเราทำลงไปเราได้เราเห็นอะไรก็เป็นสมบัติของเราในนี้ใครที่จะมาแย่งเอาไปได้ถือโอกาสเวลาที่อยู่ในป่าในที่สงบทำความเพียรอยู่อย่างนั้นจนจิตใจรู้เห็นเจนขึ้นอสิจันซึ่งเคยเห็นเคยเป็นมาก่อนความเสื่อมัน่นหรือศรัทธา จะต้องเกิดจนสี่จนฐานทูกการทุกเวลาต่างหน้าบำเพ็ญเลื่อยไปละได้ท้อนได้เท่ารใจยิง่งสบายจริงใจยิง่ง <c oughs> ไม่มีอันตรายมาเกี่ยวข้องเน้ชีวิตทงตัวก่ไม่เห็นเจ้ของมีจะได้ประโยชน์อะไรเนื้ออาจเนื้อทำไปกพอาจทาเจ็นของสิมีคุณค่าราคาสูงกว่าชีวิตความคิด ของผู้เห็นธรรมเป็นอย่างนั้นท่านจิงอยู่สถานที่ใดอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนอนในยินกินในญาตก็มีความสุขใน้องหาอันอื่นนะเป็นส่วนสุขใจสุขในอัตในธรรมแ่านั้นเพียงพอบริบูรณ์เงอื่นภายนอกใน้องเกี่ยวข้องเพราะความคดีพองามงของาะธรรมเพราะความสุขของธรรมเป็นของที่มีรสชาต สมบูรณ์อยู่แล้วนี่ผูกกับเพื่อปฏิบัติเข้นอัดเข้นทำท่านมีความสุขความสบายอย่างนั้นท่นานในอัศจรรย์คนสี่หล่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้ขาดขันอยู่ไปก็ยังอาศัยในใจท่านจะเอาความสุขจากขาดจากขันเอาความดีอะไรไปอีกมีแต่จะพิจารณาทำขอแจกไข่ ให้รู้ยิ่งเห็นจริงเลื่อยไปถอดถอนอะไรที่มันตกออกแล้วมันหลุดออกแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มาเป็นข้าศึกอีกเพราะคิดตรุงซึ่งเห่านั้นปัญญาที่เราเคยพิจารณารอบตัวจะขึ้นมารับทีเดียวว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นเห็นชัดใน่ยอยวางไปแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีการสงสัยลังเลใจ ใช่เว้ป็นอาจเป็นทเรื่องจิตอย่างใจก็จะต้องมึ่งุ่งวงไปตามอย่างภายนอกเหนื่อยไปแล้วก็จะสงสัยสถานนั้นที่นั้นเพราะว่าดีก็อยากไปสถานที่นี้เขาว่าดีก็อยากไปอย่าไปสถานที่ใดหากเราไม่มีอัดไม่ทำในตัวของเราเหมือนคนจนจะไปต่างประเทศก็จนจะอยู่ในประเทศก็จน จะอยู่บ้านก๋จนออกจากบ้านไปป่าก๋วจนสำหรับคนจนเป็นอย่างนั้นในนีสถานที่ใดที่จะหาความร่ำรวยมาให้นอกจากตัวของตัวจะปับภรุงตัวของตัวมาอยู่สถานที่ใดถ้าหากไม่มีการงานหรือผู้คนพลุกพลานสะดวกสบายสงบสงัดท้ายนอกเพียงพอ สถานที่นั้นต้องควรอย่างยิ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัติแก่เร่งความผาดความเพียนที่นี่ที่จเจริญนาแก่ไขเดือดใจของตัวหากคิดพุ่งฟุ่งไปว่าสถานที่นั้นเพราะว่าดีก็อยากไปพอไปแล้วก็ไม่ทําแลยไปตำหนิแต่สถานที่ลดยกิเลสกัญหาที่ที่หลังนั่งคอตัวไปในสําระสักทีบรือ เ, เป็นธาตุของกิเลสกัญหาอยู่เรื่อยไป จับปรุงจิตใจของตัวอย่างนั้นสอนตัวอย่างนั้นพอวันคืนเดือนปีหมดไปหมดไปอายุปน้ำันแก่ไปความดีที่นีในใจไหนมีก็ไม่มีคุณค่าอะไรนปฏิบัติตอนนี้สอนตัวฝุดตัวสม่นเสมอไปอยู่สถานที่ดใดมีโอกาสเวลารีบจะทำบำเพ็ญ อย่างเต็มที่เต็มฐานอย่าไปคุกทีเ <c oughs> อย่างการงานอ่นอื่นหรื <c oughs> อว่าการทําความเปลี่ยนการชำระจิตเป็นการงานที่สําคัญเพราะการงานอันอื่นเป็นส่วนตีกยอดใ่ของที่จะ น, ในำมาแบกมาหามจนจนขอบเขตการชำระจิตพระพุทธเจ้าคืาคอเป็นของสําคัญ พระองค์ท่านขออาศัยการชำราจิตจึงเป็นอาสวะสดายาด่ะในการทำงานนั้นอีกเมื่อพวกเราทุกคนขนคิคทีนจิอใจน า, ราหรือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับทำความดีเพื่อแก้ไขจิตใจของตนสม่ำเส ม, เมอใจที่เคยปรุงๆรุงใจ ต, ต่างๆทียเคยสงสยัยลังเลจะตกออกหมดไป ความสว่างสวยความเบาความสบายซึ่งไม่เคยประสบพบเห็นมาจะเกิดขึ้นแทนนี่คือการพิจารณาทำการสละจิตใจสองเป็นคนมีความพอใจในอัดในธรรมมีความผักเียนมีขันติอดนทนพิจารณาอยาบ้าย ด้วยปัญญาในอย่างนั้นเหดินใจก็นับวันมันจะปุ่งปรุงไปออกพรรษาหรือในพรรษาก็ไม่มีอะไรสิดแปลกกันเพราะวันคืนอันเดียวกันกิเลสมันจะออกจากใจออกแล้วจะดีวิเศษตก็ไมกกหไไม่ใช่อยู่ในพัรษาจะตักขังกิเลสตันหาไว้ตัวใหม่ใสอีกเหมือนกัน เรามีโอกาสเวลาที่จะชำระสัจฉังเรื่องของกิเลส อ, อยู่เสมอไปตากิเลสเป็นเจา้าหัวใจเราจะ ม, มีความสุขธาตุธรรมะเป็นเจา้าหัวใจเราจะมีความสุขมีความสบายจะเกิดหรือตายก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับจิตที่มีอัตมีธรรมความเป็นอยู่ก็พอเพื่ออาจปฏิบททัติธรรมตายไปอาจทำสิเราปฏิบัติได้ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหาย ไปตามเลืองต้องตายค้องขาดขันฉะนั้นทันจึงมีความอยาอกเย็ยนเป็นสุขอยู่สม่ำเสมอคุณค่าราคาตายกับอยู่เท่ากันไม่มีอะไรทิ่แตกกัน <c oughs> มีผู้ที่เห็นที่เป็นในจิตในใจจริงจังเป็นอย่างนั้นท่านในห่วงคาดห่วงขันปล่อยวางไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างพราจารทิจเจรนาะรอบตัวย่อมพอแล้ว มีพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะที่เหลือตั้นหายังขี่หลังนั่งคออยู่จะต้องอาศัยถาดขันเป็นเฉียงตาหนดเป็นเฉียงแต่ทาทีนี้พิจารณาถาดขันแตกสลายไปการแต่ทาทางใจก็จะไม่มีเวลาเพราะไม่มีเื่องมือที่จะทําถาดขันเป็นเฉียงมือ สำหรับสำลัก จ, จิตใจพใจหน้าสมเหตุใจหน้าอิมพลายพิจารณาในตัวของเรานี่แหละพรอทำคาสั่งสอนของผู้ใจเจ้าในใจมอยู่ที่อื่นถึงทานกคนนี้แหละเป็นคนไหาทานสึงขี้นกคนนี้แหละเป็นผู้รักษาคือตายใจนี้ภาวนาสมเหมือนกันสําหรับสำลักจิตเต่าไว้มากมาย จนไม่สามารถที่จะจดจำนำมาประฏิบัติได้ทุกเนี่ยทุ่ ง, งมไปแล้วการศาึกษาตามตำรับตำราก็ทำให้เกิด้องยัยทำให้เกิดเดยวเวลาศึกษามาแล้วจดจำมาแล้วแต่ขี่เลือดันหาก็ยังคงเจ็นคงวาอยู่ไม่หมดออกไปเดี๋ยววาเวลาคะยมีโลทะนิพพานท่านท่าจดจำได้อยู่ความเต็มของใจงใก็ไม่เ็แต่ห่ ต้อศึกษาโดยด้านปฏิบัติพิจเจนายกำจัดอย่างที่ติดข้องของใจกําหนดให้เห็นเป็นจริงตามสภาพของมันอย่างไรปล่อยวางไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเห็นเดินในจิตในใจปล่อยอะไรไปเหลืออะไรอยู่มันกำละอย่างที่เหลืออยู่ให้หมดไปตกไปถึงจะ สมมุติไม่ได้ว่ะเป็นมีโลทะหรือมีฟานะหรือเลาคะก่อตามหัวซาบจากคําเป็นจริงในจิตที่เห็นของจริงเรียนตัวนี้อะเรียนตัวใหญ่ๆตัวตายตัวใจถ้าเรียนได้อ่ะไม่มีหลงส่วนจำลานอกเรียนมามากอยากหลงอยากลืมและไม่ค่อยจะมีคุณค่าราคา เาฝึกเพอปฏิบัติให้ voke ิดเพราะธรรมะของพธธ ร, ระพุทธเจ้าเป็นโอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราถ้าส่งออกไปในใจธรรมะเป็นทางคือจิตคําสอนของพธธระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุงอย่างที่เห็นด้วยตาที่ได้ยินโดยหูก็น้อมเข้ามา ที่เจรณาทางใจเพื่อแกะไขในใจของเราปล่อยวางหรือเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นส่งออกไปทางนอกมีแต่า ท, ทางหลงมงงงีแต่าาทางผิดทั้งข่องแต่นอนเข้ามาภายในพิ่เจรณาใจใจของตนเก็บกัวสิ่งเหล่านั้นความหลงคนนับวันมันจะเบาบางไป เป็นเร่องชำระแก้ไขตัวเองทำสิเพียง ว, ว่าโอปะณฑ์เยโกเป็นอย่างนั้นอยากจะตัง้งจะเห็นขึ้นอยากจะก่อนได้ยินได้เห็นอย่างนั้นแต่รูปที่เคยชอบเคยติดเคยกําหนัดยินดีนั่นก็จะปรุงจะคิดใจในรูปนั้นว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้เป็นเรื่องของลาคะกําหนัดยินดีอยากกอดอยากจูบไป ถ้าหากน้อมเข้ามารูปนั้นอะไรกันที่เป็นรูปธาตุสี่ใจไหมยินน้ําไฟลมเขามีอย่างไรเรามีอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เขายินดียินรายกับใครเราไม่เห็นมันก็มีอยู่แต่ เ, เราไปเห็นเขาทําไมไปติตเขาไปสอบเขาไปเผชิญทางเขาเป็นเรื่องปัญญาที่จะแยกแยะที่จะรนาาสอนใจของตนเหยียบก็เหมือนกัน เราไปเกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมา